ปัญญาสูงสุดตัวนี้เรียกว่าสังขารู้เบกขายาณคือใจมันมีปัญญาเป็นกลางกับสังขารรู้ความจริงของสังขารแล้วเป็นกลางพรู้ว่าสังขารทั้งหมดนะเป็นของชั่วคราวเป็นกลางไม่ดิ้นละต่ไปนี้ความสุขมาก็ไม่ดิ้นที่จะหามันไม่ดิ้นที่จะรักษามันความทุกมาก็ไม่ได้ดิ้นดิ้นต่อต้านมาันหรือดิ้นหาทางแก้ไขมันใจไม่ดิ้นใจไม่ทางาน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 มหายานก็มหายาณไวยปุญยะเป็นภาษาสันสกฤตคือคาว่าภัยบุญนั่นเองทารณีธารณีสูตรสอนไว้เลยนะว่าอะไรๆก็สุญญาตาสุญญาตาแล้วก็เพีย้ยนอย่าลืมศีลสมาธิปัญญาอย่าลืมศีลศิคยาจิตศิคยาปัญญาศิกขาอย่าลืมการสร้างบารามีทั้งหลายนะไม่ใช่ว่า มีปัญญาปิ้งแล้วก็หลุดไปเลยทั้งๆ ท, ที่ไม่มีบารมีเลยไม่ปิ๊งหรอกมีแต่หลอกๆเอาเบอร์เจ็ดสิบสองใจหนีไปละวเอาที่นั่งข้างเบอร์หนึ่งอะผู้ชายเนี้ยใจลอยไปละวเอาเบอร์สิเบอร์สิทําอะไรอยู่รู้เบอร์ของตัวเองหน่อยนะที่หลงพ่อเรียกเบอร์อยังไม่รู้เรือเบอร์อะไร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 นี่เบอร์อะไรล่ะเนี่ยแสงมันสะท้อนเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ ด, จดทำอะไรอยู่เบอร์เจ็ดตอบให้ชื่นใจซิเผลออยู่นะเผลออยู่ <c oughs> นิมนต์ครับท่านอาจารย์เขกกากกล่าวพูดกับโยมเลยนะครับ <c oughs> รู้สึกไหมใจวอกแวกอยากดูนะหลาคนอยากดูอยากดูรู้ว่าอยากดูนะค่อยๆสังเกตสภาวะไปนะ เบอร์ส1บเอ็ใจลอยไปแล้วเบอร์ส1บเอ็ดยังไม่รู้อีกว่าเบอร์ З11 ิบเอ็ดรู้เหรอทำไมทำใจซื้อบือ้ออย่าไปดึงนะอย่าไปดึงเบอร์สีเบอร์สี่หนีไปแล้วอ้าวดาวใจลอยเห็นไหมใจชอบลอยคนโบราณเก่งนะเรียกว่าใจลอยรู้สึกไหมมันลอยจริงๆริงน ะ, ะมันลอยจริงๆ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 คุณคุณมีหลายดีกรีจนกระทั่งเดือดมีหลายดีกรีในกิเลสโลกโรดหลงท่านนั้นบัระบุตเรากระจายออกไปได้ร่วมสองอตัวหลวงพ่ออยู่ส่วนโฟนะตอนนั้นงานน้อยกว่านี้เอาพระเจนานุกลมมาติ๊กติ๊กจดเจ้าเสนาครก็ไม่รู้นะมือร้ายไม่ใช่มือดีมาขอยืมไปดูแล้วเอาไปเลย <c oughs>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 คอรู้นะรู้นะใจหนีไปหมดแล้วะอา้าวโยมคนไหนมีอะไรจะคุยเชิญอ้าวเชิญเชิเออเอวลาทําทกันบ้านครับหลวงอ่าคือมันจะมีความกลัวครับกลัวว่าจะทําผิดกลัวจะโง่กลัวจ ะ, ก, วจะก็เกิดความเราแหวงขึ้นมาครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวผิดเพราะผิดอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวโง่เพราะโง่อยู่แล้วครับนะ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 เวลาจิตมันรู้สึกตัวมีสติขึ้นอย่างแท้จริงจิตเป็นกุศลนะจิตเป็นกุศลมันจะมีโสมนัสโสมนัสเวทนามีความเบิกบานขุดขึ้นมาเองรู้สึกแหมใจมันเบาใจมันสบายที่ทำอยู่ใช้ได้ล้นะแต่ถ้ามาถามว่าตอนนี้ถูกไหมตอนนี้ไม่ถูกตอนนี้เกรงนะแต่ที่ทำอยู่น้ถูกแล้วนะดูเรื่อยๆนะดูไปเจ้าค่ะได้แค่นี้โยมนะขอเวลาให้พระบ้าง